ก็ได้เห็นหลายกลุ่มที่มาดูปั้งไฟพญายนาควันออกพรรษาแต่บางคนก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเคยเห็นไหมปั้งไฟพญายนาคพวกหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ไม่เคยไปเพราะว่ามันคนมันเยอะแยะถ้าเข้าไปแล้วก็ไปเบียดเสียดกับครวาสญาติโยมหญิงชายไม่ดีพระไม่จำเป็นจะไปดูทำไม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 อยู่ลิมฝั่งแม่น้ำโขงท่านก็เห็นมันแสงมันขึ้นมาจากแม่น้ำมันขึ้นมาประมาณเมตรเนี่ยมันก็ฟดขึ้นไปปนทองฟ้าประมาณชั่วลาตาลนึงนะประมาณนี้แหละโดยมากท่านก็บอกว่าเออไม่อยาไปพูดนะถ้าพูดเดี๋ยวก็จะหาว่าพระเห็นนู่นเห็นนี่งมงายแต่โดยมากจะเห็นเห็นวันสำคัญ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 หญ้ า, า, าบางสัตร์ชนิดก็กินทั้งหญ้าทั้งใบไม้กินทั้งสัตว์ด้วยฮะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นอันนี้ก็คือสัตว์ตะวโลกที่มองฮะที่มองเห็นเทวาสัตว์ทิรักฉันแต่ที่มองเรามองไม่เห็นเรียกว่าภูมมะภูมมะเทวดาเป็นเทวดาอยู่ในภูมิที่จอมปวกปั่งที่เงื่อนผาบั้งที่ภูผาป่าไม้น่ะภูมมะเทวดา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 บวชพระบวชเนรเา่าบอกบวชนาบวชนะก เ, เพราะนากฝากไว้ฝากชื่อเสียงเอาไว้ในภพกุทธศาสนาอันนี้ก็คือตำรับตำราจวนหนึ่งท่านพูดไว้ในพระไตรปิฎกนะอันนี้หลวงพ่อพูดตำตำรับตำราให้แกพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่ที่นี้เรื่องพญานาคเนี่อหลวงพ่อก็เคยได้ศึกษามีมากนะในพระไตรปิฎกนะ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 พอต่อมาอีกพอมาเจอกันอีกหน้าก็ลบหนีอีกแต่คุดเนี่็ก็เลยถามว่าถามฤศีว่าเอ๊ะท่านฤศีตะกอนเนี่ยพวกผมนี่ยพญาคุดเนี่ยไปจับพญานาคเนี่ยจับพญานาค ก, กินบ่อยๆคือโดยมาก เ, เหมือนกับเยี่ยวกินงู ล, ลักษณะนี้นะเดี่ยวจับงูนะ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 พญาคุดเขาว่าเขาจับนาคตระกอนจับได้ง่ายแต่บัด น, นี้ทำไมจับไม่ได้พญานาคได้ยินดนั้นโมโหขึ้นมาเลยเออจะมาถามผมทำไมอันนี้เป็นเรื่องคอขาดปาไต้เรื่องของเรื่องของตระกูลไปบอกได้ยังไงเรื่องความลับท่านจะถามอีกนะต่อไปนี่นะออพอว่าดนั้นนาคก็หันหลังให้ไม่พูดกับลืีเลยสแสดงความโกรธพอต่อมาอีก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 พญาโคดเนี่ยพวกโคดเนี่ยลงไปแวกน้าทะเลลงไปแล้วหน้า ก, ก็ชูคอสู้เพราะไม่มีที่ไปแล้วเนี่ยนา ก, ก็ลากขึ้นมาแต่ต่อมาเนี่ยพอนาครู้ว่าพญาคุดแวกบินแหวกน้า ม, มหาสมุทรพวกนาคทั้งหลายที่จะเป็นหัวหน้าที่จะสู้กับนกเน้ากลืนหินเข้าไปในท้องห น, นักเลยเหมือนกัน่น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 มาก อ, อ่ะพยาคสมานี่ยาคตก็เข้าไปรู้ไหมที่ว่าพยาคตเนะี่ยไปจับพญานาคขึ้นมาเนะ่ยมันไม่พ้นน้ำนะพอไปจับคอมันมันเกืนหินเข้าไปในท้องออต่อไปถ้าไปจับหางขึ้นมาด้นะ่ะก้อนหินมันจะไหลออกทางปากมันดึงขึ้นมาได้ง่ายเฮ้ะ อ, อย่างงั้นเหรอเออจางนั้นก็ไปลองเดี๋ยวนี้แลลวเออจากนั้นพยาคตก็บบินไปเลย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 ทางพญานาคโอ้ตายข้าพระเจ้าบอกความลับให้แก่ฤาษีข้าพระเจ้าจีบหายใช่แล้วทางพญาคูตบอกเอ้ยนาคยาบนเป็นความโง่ของแก่เองเอแก่ไปบอกความลับให้แก่คนอื่นได้ยังไงความลับของตระกูลเนี่ยเธอจีบหายเพราะความเพราะตะแกบอกความลับ พญานาคโอ้ยถือยังไงก็ข อ, อชีวิตไว้โดยเธอพญาครุฑเลยเป็นความโง่ของข่าและข่าวนี่เออเอาถ้าอย่างนั้นกเ็เราให้อภัยอต่อไปนะจะไปอย่าไปทําอีกนะครับถ้า ง, งั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาลือศีเดี๋ยวนี้แหละเพราะว่าลือศีเนี่ยผมบอกให้สัญญาแล้วว่าจะไม่พูดเอผมให้สัญ ท่านยาเจะไม่พูดจะไม่เปิดความลับแต่เนีนมันเปิดความลับนึผมจะไปฆ่าฤาษีเดียวนี้แหละพอว่าท่านพญาคุดก็ไม่ไปด้วยท่านเนีพยพญาคุดอยู่ข้างนอกพญานาเข้าไปไปตัวเดียวนะไปคนเดียวพอไปท่านฤาษีท่านทําไมท่านรับคํ า, อาอคของข้าพเจ้าแล้วว่าจะไม่บอกความลับให้แก่ใครแต่ทําไมท่านจึงเปิดเผยความลับของข้าพเจ้าให้แกหนักให้แก่คุดละ่ะ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 คนมีสติปัญญาดีบางที่คนมีปัญญาทึบไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการเป็นอยู่ของมนุษยก็แปกแตกต่างกันเพราะนั้นเทวดาก็แปกแตกต่างกันมนุษย์สัตว์ในโลกนีแปกแตกต่างกันย่ว่าเทวภู ม, มิลุกขะเทวดาพยาคุถพยานากจากนั้นก็อินพรมนี่แหละแต่่าถึงยังไง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 บำเพ็ญแล้วได้เป็นพระอริยะบุคคลคือพระโสดาบันเท่านั้นแหละอันนี้เป็นว่าเกาะบันไดขั้นที่หนึ่งต่อไปไม่หลุดนะเ่เกาะบันไดขั้นีหนึ่งต่อไปก็เป็นพระจักรทหามีต่อไปก็เป็นพร ะ, ะอนาคามีต่อไปก็ขึ้นเป็นพระอรหันต์แล้วเขาสู่นิพพานจบไม่มาเวียนไหวตายเกิดแต่ถ้าว่าเรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเยยังเป็นปุชนอยู่เนี่ย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 แยกย้ายกัน